สิเตระสัมมาในสิอสังขะหิตเณรสัมปยุตตาวิปยุตตาประธานิเทศ448สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับรูปขันธ์สภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์สาและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่ง าาาท า, า, นหน า, า, หาหนึ่งบางส่วนวิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน449สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและท่ากับธรรมายตนะธรรมทา่าหิตถินสี่ปุริสินสีชีวิตินสี นามรูปที่เกิดเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยอาสัญญาภพเอโกโวการะภพชาติชรามรณะสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุ ด, ด้วยขันสามและสัมปยุดด้วยอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนวิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน4ี่้ยห้าสิบ สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับอรูปภพเนวสัญญานาสัญญาภ พ, พจตุโวการภ พ, พอิทธิบาทสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเทา่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธ์จากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งธาตุเจ็ดและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน สี่ห้าสสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาสภาวธรรมที่เป็นวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสภาวะธรรมที่สหรตด้วยปีติสภาวะธรรมที่สหรตด้วยสุข สภาวธรรมที่สหรคปด้วยอุเบขาสภาวธรรมที Napoleon. Napoleon. ่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพานสภาวธรรมที่เป็นของเสขับุคคล สภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลสภาวธรรมที่เป็นมหัคตาสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมหัคตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอัปมานะเป็นอารมณ์สภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมชั้นปราณีสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ สภาวธรรมที่มีเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์อายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันธ์อายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งท่าเจ็ด และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน452สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมที่เป็นรูปสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมยุญด้วยขันสามและสัมยุญด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบ และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน453สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปสภาวะธรรมที่เป็นโล ก, กุตระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาต สภาวะธรรมที่วิปยุตจากปรามาตรและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตรสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุตเรีดดยกขนันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขนันอายจนะและท่าเท่าไรวิปยุตจากขน 4, ันสี่อายตนะหนึ่งท่าเจ็และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสี่้อยห้าสิบสี่ สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อิยตนะและธาตุกับสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตสภาวธรรมที่ไม่รกรักับจิตสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตสภาวธรรมที่เป็นภายนอกสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูป สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันยัตนะและธาเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามและสัมปยุทธ์ด้วยยัตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันยัตนะและธาเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งยตนะสิบธาตุสิบและวิปยุทธจากายัตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสอง้อยห้าสิบห้า สภสาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าไม่ได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อเยตนะและธาตุกับสภ า, รรออ า, า, สาวาาะธราามรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามอง สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม สภาวธรรมที่มีวิตกสภาวธรรมที่มีวิจารสภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สหรคตดด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตดด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตดด้วยโอเบขาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งนวัตถุ สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวธรรมที่เป็นเหตหททุใหออ้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุติขันอยตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุติวิปยุติจากขันอยตนะและนในในท่าเท่าไรวิปยุติจากขันสี่ยตนะหนึ่งท่าเจ็ดและวิปยุติจากอยตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน รวมบทธรรมในเตระสัมมาในยี่สิบสองบทรูปหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งอิถธินีหนึ่งปุริสินีหนึ่งชีวิตินีหนึ่งนามรูปหนึ่งพสองอาันญยีพพและเอกโวการพพชาติหนึ่งชาาหนึ่งมรณะหนึ่งบทที่เป็นรูปหนึ่งอนารมณะบทหนึ่งโนจิตบทหนึ่งจิตวิปยุตตะบทหนึ่ง จิตตวิสังสัทบทหนึ่งจิตตสมุทฐานบทหนึ่งจิตตสหภูบทหนึ่งจิตตานุปริวัติบทหนึ่งภาหิระบทหนึ่งอุปาธาบทหนึ่งในยี่สิบสองบทนี้เป็นวิสัยแห่งปุชฌาและวิสัชนาภสังขหิเตนะสัมปยุตตะวิปยุตตะปะทานิเทศที่สิบสามจบ ทุตสัมมณัยสิบสวิปยุตเตนะสังคยิตาสังคยิตาประทานิเทศหนึ่งสภาวธรรมมีขันเป็นต้น4ี่้อห้าสิบหกสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากรูปขันสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาแปด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอิยตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอิยตนะสิบและท่าสิบสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดวิบยุทธจากเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมนาญตนะมนินสีสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันอิยตนะและท่าเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว สงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบอดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบปดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากจากขาายตนะโพธพายตนะจากขุธาตุโพธพธาตุสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแปด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและท่าเท่าไหรยสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งยตจณะสิบและท่าสิบสี่ร้อยห้าสิบเกสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากจากักขวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคาณวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุ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 อายตนะสิองและธาตุสิปสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้462สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากนิโรธสัตว์จากขุนศีโสตินศีคานินศีชิวหินศีกายินศีอิทินศีปุริสินศี สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบสีอหกสาสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสุขินสี่ทุกขินสี่สมุนทสินสี่โทมุนสินสี่สภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว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 สังขารที่เกิดเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยสภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิองและท่าสิปสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันอายตนะและท่าเหล่านห้ที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ 466. หสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัย ผัสสะที่เกิดเพราะมีชลาอยตนะเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่มิถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบอดและท่า 11. สิบเอ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขั 4, ออนอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อายตนะหนึ่งและท่าเจ็ดศูนหสิบเจด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 สี่หกสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากอุปติภ พ, พสัญญาภ พ, พปัญจโวการะภ พ, พสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและท่า 3. สามสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบห้าสหกสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากกามภ พ, พ สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุห้าสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไร nach, สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิและธาตุสิบสาสี่้อยเจ็ดสิบสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากรูปภพอสัญญาภพเอกโวการภพปริเทวะสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุแด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและทาสิบสี่ร้เจ็สเอสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากอรูปภพเนวสัญญานาสัญญาภ พ, พจตุโวการภพโสกะทุกข์โทมนัสอุปาญาตสติปทานสั ม, มปทานอิทิบาทฌานอปมัญญาอินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ด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 แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับท่าห้าสี่ยเจ็สเจดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและท่าสิบแปสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร ไม่มีขันอายตนะและาธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้478สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากสภาวธรรมที่กลรรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมที่กลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและธาตุแดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบเกสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่กลัมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือ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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไหร่ไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับธาตุหนึ่ง482สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นธาที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้ว สงเคราะห์เข yeah, em. ้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและธาติสิบปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาติเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาติเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้สี่้อยแปดสิบสาสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาติสาม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 ไม่มีขันอายตนะและาธาตุเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้486สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื่มบนสามสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื่อมบนสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคล สภาวะธรรมที่เป็นปริตะสภาวะธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้าได้กับขันสีอายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกสี่้อยแปดสิบเจ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะสภาวะธรรมชั้นปราณีสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับธาตุหก489สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่มีมหคตเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์สภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน สภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุสภาวะธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีสภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิองและท่าสิบปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร ไม่มีขันอายตนะและธาตุเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้490สภาวะธรรมเหลา่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมชั้นกลางสภาวะธรรมที่ผลไม่แน่นอนสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบหก491 สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เกิดขึ้นสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นสภาวธรรมที่จักเกิดขึ้นแน่นอนสภาวธรรมที่เป็นอดีตสภาวธรรมที่เป็นอนาคตสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันสภาวธรรมที่เป็นภายในตนสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบสี้เก้าสบสองสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่มีอดีตรร ธ, รรธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์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 แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับธาตุหกหทุกกะสี่้เก้าสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุจด้วยเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ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 สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสภาวะธรรมที่เห็นได้สภาวะธรรมที่กระทบได้สภาวะธรรมที่เป็นรูปสภาวะธรรมที่เป็นโลคุตระสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและธาตุแปสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบสี้ยเก้าสิบเจ็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 499สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสีอายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร สงเค э ราะ์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิทธิ์และธาตุสิบหกห้าร้อยสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่ง อายตนะสิบและธาตุสิบห้าร้อยหนึ่งสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่เป็นคันถะสภาวธรรมที่เป็นโอคะสภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรสภาวธรรมที่เป็นปรามาตถสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยปรามาตสภาวธรรมที่เป็นปรามาตถและเป็นอารมณ์ของปรามาตสภาวธรรมเหล่านั้น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 สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรารมาแต่ไม่เป็นปรารมาสภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรารมาแต่เป็นอารมณ์ของปรารมาสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและท่า 2. สองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกห้า้อสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรารมา สภาวะธรรมที่วิปยุตจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสีอายตน ะ, 2, ะต 8. สองและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิและธาสิบห้าร้อยสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สภาวะธรรมที่เป็นจิตสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิก สภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบเอดและท่าสิบเอด สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สี่อายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดห้าร้ห้าสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สภาวะธรรมที่วิปยุตจากจิตสภาวะธรรมที่รักคนกับจิตสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือ สภาวะธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบห้าร้อยหกสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือสภาวะธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตุสาม สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิและท่าสิบห้าห้าร้อยเจ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจจากสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมอง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 ห้าอปสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่วิปยุจจากกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและท่าเท่าไร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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรไม่มีขันอายตนะและธาะเหล่าไหนาที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ห้าร้อยสิบเอ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื่อมบนสามสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื่อมบนสาม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 สงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและธาตุสิบเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้แต่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับธาตุหนึ่งห้าร้อยสิบสาสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากสภาวะธรรมที่มีปีติสภาวะธรรมที่สาหรคตด้วยปีติสภาวะธรรมที่เสหรคตด้วยสุขสภาวะธรรมเหล่านั้น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 สภาวะธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุกสภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวะธรรมเหล่านั้นเว้นท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออกจากขันแล้วสงเคราะห์เข้าได้กับขันห้าอายตนะสิบสองและท่าสิบปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันอายตนะและทาาเหล่าไหนที่จะสงเคราะห์เข้าไม่ได้ห้าร้อยสิบปด สภาวธรรมเ no um หล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุสภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้สภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและทาสอง สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันยัตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งยัตนะสิบและท่าสิบหกรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในจุดธสมณัยี่สิบเจ็ดบทธรรมายัตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งชีวิตินทรีหนึ่งนามรูปหนึ่งสลายยัตนะหนึ่งชาติหนึ่งชาราหนึ่งมรณะหนึ่งธรรมสองบทจากติกะ อัชตะพหิตะและอนิทัสนะอปติคะในจุลันตระทุ ก, กะแรกเจ็ดบทในโคชกะสิทบทในมหันตระทุ ก, กะถัดมาสิบสี่บทในปิฐิทุ ก, กะสุดท้ายหบทสภาวธรรม4ี่สิบเจ็ดประการเหล่านี้ย่อมไม่ได้ในสมเนุเฉทันจุตทสมณัยและในอธรรมไนที่ชื่อว่าโมคะปุจกะ วิปยุตเตนะสังขหิตาสังขหิตะประธานิเทศที่สิบสี่จบประกที่ชื่อว่าทาตุกถาจบบริบูรณ์